มาทำไมทำไมไม่มีที่ปลูกลกูไปปลูกให้หน่ขึนแล้วกันนะมันไม่มีแต่ปลาที่ต้นไม้เต็มไปหมดแนละ้วมันไปปลูกที่มันไม่มีต้นไม้ดีกว่าวนนี้ก็ดูแลลาบากไม่มีน้ปาปาปลูกแ ว, ว่าตายเดี๋ยวไปเาขาั มาจากที่ไหนกันมาจากสำนัก ง, งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชรค่ะเรามาพักอยู่ที่วันนดเหรออยู่นั่ค่ะมาะบวชถ ว, ยวายหลงคเรากันทั้งหมดกี่กนนะบสีสสคนสิบสาคนอยู่กี่วันอยู่ึอาทิตย์ออสาอาทิตย์สำนัก ง, งานอะไรนะเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุร่อ ในหน้าที่ทำอะไรหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของสานัก ง, งานของกระทรงเกษตรจัง ก, ก่อนครับ<อ>จะตอบประางานอารดูแลรน้างานของกระทรวงในระดับจังหวัดอน่วยงานของกระทรวงเกษตรในจังหวัดมี20กหน่มเลยเป้าหมายเป้าหมายหลักจะมีอะไรบ้างออก็จะมี งานของส่งเสริมก็มีหลายด้านนะด้านพืชด้านสตวนะครับงานสัตว์ปศุสัตว์นะครับของหน่วยงานที่จะเป็นตัวแทนของทั้งกระทรวงนะครับเพ่อมาประสานงานนำนโยบายามาประสานกันในการทำงานต่างๆครับอือมีก็จะมีงานหลายอย่างทั้งข้าวทั้งพืชต่างๆต่างๆแล้วก็นโยบายต่างๆครับอือ ก็ไปสู่ตามชุมชนต่างๆนี้แหละก็เอเป้าหมายคือคนเป้าหมายคือเกษตรกรที่เกษตรนะครับั้งในรูปเดียวนะครับแลาออนไลน์แล้วก็รูปที่เป็นองค์กรสถาบันเกษตรกรสาบักลุม่มเกษตรกรก็ <c oughs> มีการจัดสัมมนาอะไรพวกนี้ด้วนยะ <c oughs> อย่างที่วัดนี่ก็มีมีศูนย์เกษตร อันนี้ก็ขึ้นกับทางของทางจังหวัดส่วนนั้นเป็นขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการเป็นเป็นหน่วยงานคล้ายคล้ายในวัดในวัดนี้มีมีอยู่อันนี้ของวัดญาติอาชี่วัดญาติแล้วก็มีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรที่มีอาทำก็จะมีที่ของของกรงชางเกษตรนะครับอของเกษตรจังหวัดของพนักที่ดินที่มาทําแต่ว่า หน่วยที่เป็นหลักก็เป็นของสูตรสุจริตเสริมกิจกรรมนะครับของทางกระทรวงศึกษาแต่ก็ทำ ง, งานด้วยกันมาตลอดแล้วเป้าหมายของการมาอยู่วัดสามวันนี้มีอะไรบ้างะนะก็ถวายเป็นพระราชบุตรสุโสำหรับราชการกลางกาังนที่สเอาในถวายอ่ะ ปกติก็จะทางานที anyway> hmm. ja ええ่เด่นตามหน้าที่ในสจานีก็จะได้มาปฏิบัติธรรมใครเป็นคนได้กันแน่โดยหลักก็คือผู้ปฏิบัติก็จะได้ แต่ใ น, ใ น, ในภาพรงมือคือได้แสดงจิตนาครับที่จะสวาในส่วนนี้นะครับคือการปฏิบัติบูชาในความจริงผู้ที่ปฏิบัติเนปะ็นผู้ได้รับประโยชน์ผู้ที่สอนให้ปฏิบัติเช่นพระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเจ้าอยู่หัวท่านได้ทางอ้อม เลยได้เห็นพวกเรามีความสุขตัวท่านมีความสุขแล้วแตนพวกเรายังมีความทุกข์กันอยู่ก็เลยอยากให้พวกเรามีความสุขบ้างในความจริงเราไม่ได้ให้อะไรท่านเราให้ในลักษณะว่าเราเชื่อฟังโอวาทคําสั่งคําสอนของท่านที่มีความปรารถนาดีกับพวกเรา ต้องการให้พวกเรามีความสุขให้เราไม่มีความทุกข์กันถ้าเราปฏิบัติตามวาวาดได้พวกเรานี่แหละจะเป็นคนที่ได้รับความสุขจะได้ปลดปลื้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปก็จะทำให้เราเป็นคนดีไม่เป็นคนชั่วไม่เป็นคน ไม่ดีถ้าสังคมมีคนดีปราศจากคนไม่ดีสังคมก็ร่มเย็นเป็นสุขอันนี้คือหลักของการปฏิบัติบูบชาคือผู้ที่ให้เราบูชาท่านเนี่ยท่านไม่ต้องการอะไรจากเราคือไม่ต้องการผลตอบแทนไม่ต้องการสิ่งตอบแทน โดยตรงเพราะท่านก็มีแล้วในหลวงท่านก็สุขสบายร่ำรวยคุบาอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านก็มีความสุขพ้นทุกข์กันแล้วแต่ท่านยังเห็นพวกเรายังไม่พ้นทุกข์กันยังไม่สุขกันก็เลยอยากจะให้พวกเรามีความสุขอยากให้พวกเราพ้นทุกข์ก็เลยทำเป็นตัวอย่าง สั่งสอนแล้วก็ถ้าพวกเร า, เามีศรัทธามีความเคารพแล้วน้อมนําอาไปปฏิบัติพวกเราก็จะได้กุศลได้นนบุญได้ประโยชน์แล้วบุญที่เราได้นี้ก็ไม่สามารถที่จะถวายให้ท่านได้บุญนี้ก็เป็นของใครของมันต้องปฏิบัติกันเอาเอง ใครอยากจะได้บุญได้กุศลต้องปฏิบัติกันเองยกเว้นบุญที่เป็นบุญอุทิศ ส, สำหรับผู้ร่วงรับไปแล้วซึ่งก็เป็นบุญส่วนย่อยถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนเงินที่เราให้ขอทานบุญอุทิศนี้เป็นเหมือนกับเงินที่เราให้ขอทานแต่บุญที่เราทำกันนี้เป็นเหมือนกับรายได้ที่เราได้จากการทำงานทำการทำมาหากิน มีปริมาณต่างกันมากฉะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าการอุทิศบุญนี้จะได้บุญมากก็ได้แบบเปาประทังชีพให้กับขอทานคือผู้ที่ล่วงรับไปแล้วบางคนไม่มีบุญติดตัวไปเพราะอาจจะไม่เชื่อบุญเวลาที่มีชีวิตอยู่ก็เลยไม่ทำบุญ เวลาไปจิตใจที่เป็นดวงวิญญาณนี้ก็จะไม่มีทรัพติดตัวไปบุญนี้เป็นทรัพของผู้ที่จากโลกนี้ไปสามารถเอาไปใช้ซื้ออาหารซื้ออะไรให้กับจิตใจให้จิตใจมีความอิ่มหนำสําราญใจไม่หิวโหยแต่ถ้าปราศาจากบุญติดตัวไปไมีแต่บาปติดตัวไป ก็จะไปเป็นเป็นเปรตบ้างเปรตที่ก็เป็นขอทานบาปที่ทํานี้ก็มีหลายหลายระดับบาปหนักก็เป็นนรกบาปรองลงมาก็เป็นเปรตรองลงมาก็เป็นเดรัจฉานมีนักเบาต่างกันสําหรับผู้ที่เป็นเปรตก็ สามารถที่จะบรรเทาความหิวโหวยด้วยการรอรับส่วนบุญของญาติพี่น้องหรือญาติสนิทมิตรสหายผู้ที่มีความห่วงใยแต่บุญที่เราทำที่อุทิศไปนี้ 99% นี้เป็นของเราของผู้กระทำบุญที่อุทิศนี้อุทิศไปได้ประมาณ 1% ก็พอจะเยียวยาไส้ไปได้บ้างเหมือนกับเงินที่เราให้ขอทานเราไม่ได้ให้เงินเดือนของเรากับขอทานทั้งเดือนใช่ไเราเห็นขอทานเราก็ให้เขาห้าบาทสิบบาทพอให้เขาอยู่ได้นี่คือเรื่องของบุญที่เราต้องทำกันเพื่อที่อนาคตและปัจจุบัน เราจะได้มีความสุขเพราะใจของเรานี้อาศัยบุญไม่ใช่ใจเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้อาศัยปัจจัยสอาศัยยาอาศัยอาหารยารักษาโรคเครื่องโน้มถ่วที่อยู่อาศัยที่พวกเรามีกันอยู่ตอนนี้เราก็มีกันพอสมควรไม่เดือดร้อนมีที่อยู่อาศัยมีอาหารรับประทานทุกวันมี เสื้อฟ้ า, าไว้สวมใส่เวลาไม่สบายก็มียารักษาโรคทางร่างกายนี้เรียกว่าสมบูรณ์แล้วตามที่ในหลวงตัดไว้ว่าพอแล้วพอเพียงแล้วเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการให้มีปัจจัยสี่ครบถ้วนที่จะใช้ในการบำรุงรักษาชีวิตร่างกายของเราให้อยู่ไปอย่างเป็นปกติสุข แต่ส่วนทางจิตใจของเรานี้อาจจะไม่สมบูรณ์เหมือนกับร่างกายจิตใจของเรายังมีความทุกข์มีความวิตกกังวลความเสีย อ, อกเสียใจความน้อยเนื้อต่าใจความเศร้าหมองเหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากจิตใจไม่ได้รับการดูแลด้วยบุญด้วยกุศล เรามมูแต่เอาเวลาส่วนใหญ่ของเราไปดูแลเกี่ยวกับทางร่างกายและไปดูแลค่าศึกศัตรูของพวกเราที่เราไม่ควรดูแลเลียงดูใครคือค่าศึกศัตรูก็คือกิเลสตัณหาพวกกิเลสตัณหานี้เป็นเหมือนค่าศึกศัตรูเพราะจะมาทำให้จิตใจเราวุ่นวายทำให้จิตใจเราไม่มีความสุขกัน แต่เรากลับไปหลงคิดว่าการไปเลี้ยงดูกิเลสตัณหาการไปรับใช้กิเลสตัณหานี่เป็นการให้ความสุขกับเราเช่นเวลาเราอยากได้อะไรเราก็ไปหาสิ่งที่เราอยากได้มากันทั้งๆ ท, ที่เราไม่จําเป็นจะต้องหาไม่ต้องมีเช่นเสื้อผ้านี่เราก็มีพอเพียงแล้วแต่เวลาเราเห็นเสื้อผ้าในาร้าน ก็เกิดความอยากขึ้นมาเราก็คิดว่าซื้อแล้วเราจะมีความสุขกันก็ซื้อกันซื้อแล้วก็สุขเดียวเดียวพอซื้อมาแล้วไม่กี่วันก็มีความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวไปเห็นกระเป๋า้วเห็นรองเท้า้วเห็นนาฬิกาเห็นอะไรต่างๆที่เขาขายอยู่ตามร้านค้าเนี่ยเห็นแล้วก็อดที่ อยากได้อดอดความอยากไม่ได้ก็ต้องซื้อซื้อมาเท่าไหร่มันก็สุกเดี๋ยวเดีย ว, ยวแล้วเดี๋ยวก็มีความอยากโผลขึ้นมาเรื่อยๆแล้วถ้าวันไหนเราไม่สามารถซื้อของหรือทำอะไรตามความอยากเอาได้เราก็ไม่สบายใจหมดเกลียดลาคาญใจอารมณ์ไม่ดีแล้ว ก็อาจจะบังคับให้เรากดดันให้เราไปทําการกระทําที่เป็นโทษขึ้นมาทําผิดกฎหมายบ้างทําผิดศีลและธรรมบ้างแล้วการกระทําผิดมันก็มีโทษตามมาทั้งทางกฎหมายก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับไปลงโทษทางจิตใจก็มีอบายเป็นที่ไป เวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วในปัจจุบันใจก็ไม่สบายใจจะวิตกกังวลวุ่นวายต่างๆนานามีการเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าการตอบสนองความความโลภความอยากจะให้เรามีความสุขกันแต่มันกลับ กลายเป็นความทุกกันโดยไม่รู้สึกตัวขึ้นมาพอจะมารู้สึกตัวก็สายไปแล้วติดคุกติดตารางไปแล้วถ้าเราได้มีโอกาสมามาวัดมาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รู้จักวิธีป้องกันภัยต่างๆที่จะมาทําลายจิตใจของพวกเรารู้จักวิธี สร้างความสุขความเจริญให้แก่จิตใจของพวกเราด้วยการทําบุญทํากุศลต่างๆนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาอยู่วัดในเบื้องต้นเราก็ต้องศึกษาศึกษาว่าอะไรเป็นคุณเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษกับจิตใจของพวกเรา แล้วพอเรารู้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องนําไปปฏิบัติเพราะการศึกษาเพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่สามารถทําให้เกิดผลขึ้นมาได้เหมือนกับที่ญาติโยมศึกษาทางวิชาการต่างๆเมื่อศึกษาแล้วก็ต้องนําออกไปปฏิบัติถึงจะเกิดประโยชน์เกิดผลขึ้นมา อันนี้ก็เหมือนกันกับทางจิตใจเราก็ต้องศึกษาให้รู้จักวิธีป้องกันภัยที่จะมาทําลายจิตใจมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจ ง, งให้แก่จิตใจแล้วก็ให้รู้จักวิธีสร้างความสุขความเจริญให้แก่จิตใจซึ่งการปฏิบัติมันมักจะไปคู่กัน เราสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความเจริญก็เป็นการทำลายค่าศึกษาตัวไปพร้อมๆกันในวาระเดียวกันเช่นการที่เรามาทำบุญทาทานเนี่เราเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองที่เรามีมากเกินกว่ามากเกินความจาเป็นคือเราสามารถที่จะเสียสละ ข้าของเงินทองส่วนนี้ให้แก่ผู้อื่นไปได้เราก็มีทางเลือกสองทางคือเอาไปใช้ตามความอยากหรือเอาไปทําบุญเอาไปช่วยเหลือผู้ที่เขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากถ้าเราเอามาทําบุญเราก็จะไม่สามารถนำเงินนี้ไปใช้ตามความอยากได้เช่นเราอยากจะไปซื้อ เสื้อผ้าชุดใหม่รองเท้ากระเป๋าแต่เราคิดว่าเราก็มีพอแล้วรองเท้าก็มีแล้วเสื้อผ้าก็มีแล้วกระเป๋าก็มีแล้วไม่ได้ซื้อก็ไม่เดือดร้อนเอาเงินที่จะซื้อนี้ไปมาทำบุญดีปะ่ะเช่นมาวัดคราวนี้ก็มาทาบุญเอาเงินทองที่เราจะไปใช้ซื้อของตามความอยากนี้มาทำบุญแทน การทำบุญก็เป็นการให้อาหารกับจิตใจเวลาทำบุญเราจะมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจมีความสุขใจมีความภูมิใจในการกระทำที่ดีของเราเราก็เลยหยุดลังับความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อของที่ไม่จำเป็นได้มันก็เป็น เป็นการลั ง, งับการกระทำไม่ดีแล้วก็เป็นการมากระทำในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ให้กับจิตใจอันนี้จิตใจของเราพอได้ทำบุญแล้วเราก็จะมีความสุขสุขมากกว่าความสุขที่เราจะได้จากการไปซื้อของที่เราอยากได้ถ้าสังเกตดูจะมมีน้ำหนักต่างกันการที่เราเสียสละเงินทอง แล้วได้ทำให้คนอื่นมีความสุขเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขมากกว่าเวลาที่เราเอาเงินทองนี้ไปซื้อของที่เราอยากได้แล้วก็จะทำให้เราเป็นคนดีขึ้นเราจะเป็นคนที่มีความเมตตามีคนที่เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว แต่ถ้าเราซื้อของให้เราใช้อยู่เรื่อยๆนี้ก็เป็นเหมือนกับคนเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราเอาเงินที่จะใช้ซื้อของให้กับเรานี้ไปซื้อให้คนอื่นอันนี้ก็เป็นการเสียสละเป็นการแบ่งปันเป็นการาแผ่เมตต า, าวิธีแผ่เมตตาต้องแผ่แบบนี้ ไม่ใช่แผ่ตอนที่เรานั่งไหว้พระสวดมนต์แล้วก็สวดสัพเพสัตตาอาเวราโหตุตอนนั้นไม่ได้แผ่ตอนนั้นเป็นการศึกษาหรือเป็นการสอนใจว่าเราต้องแผ่เมตตาแต่เวลาแผ่เมตตาจริงๆนี้ต้องแผ่กับคนกับมนุษย์กับสัตว์ที่เรามาพบปะเกี่ยวข้องด้วยถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตาอย่าง ที่ญายรรมทําอันนี้เอาเงินทองมาให้กับวัดให้กับพระภิกษุอันนี้เรียกว่าแผ่เมตตาให้ความสุขแก่ผู้อื่นฉั้นเราต้องทําความเข้าใจเพราะรู้สึกว่าเรื่องการแผ่เมตตานี่พวกเราเข้าใจผิดกันหมดเลยคิดว่าจะแผ่เมตตาตอนที่นั่งสวดมนต์กันตอนเดียวแล้วตอนเจอกันก็ดา่ากันว่ากันตีกัน แก่งแย่งชิงดีกันอันนี้ไม่ได้แผ่เมตตาแล้วเวลาต่อสู้กันแย่งกันสัดกันฟันกันดา่ากันว่ากันอันนี้ไม่ได้แผ่เมตตาแ ล, แล้วแผ่ความโกรธแผ่ความเกลียดกแล้วเอย่าไปแผ่ตอนที่เราไหว้พระสวดมนตนะตอนนั้นไม่ได้แผ่ตอนนั้นเป็นการศึกษาวิธีแผ่ว่า การแผ่เมตตานี้มีกี่ลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คืออเวลาโหนตุไม่จองเวรกันเวลาใครเขาทำอะไรให้เราเสียหายไม่พอใจเราอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาอย่าอาฆาตพยาบาทอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปตอบโต้แบบฟันต่อฟันตาต่อตา เราต้องให้เอาไปเสียฟันอันเดียวไปดีแล้วอย่าไปให้มันเสียสองฟันเลยให้ฟันของเขาเก็บไว้ต่อไปเราเสียฟันของเราไปแล้วเราอย่าไปทำให้เขาเสียอีกฟันเลยเดี๋ยวเขาเสียอีกฟันเขาก็จะมาให้เราเสียอีกฟันเดี๋ยวก็เสียหมดทั้งปากไม่มีใครเหลือฟันไม่มีเหลือหมดเรายามเสียฟันไปอันเดียวแล้วเขาก็จะหยุดเมื่อเขาทำแล้วเขาก็จะหยุด บางทีเขาก็ไม่มีเจตนาบางทีเขาก็พลาดพลั้งได้ทำไปด้วยการพลาดครั้งเผลอหรืออาจจะทำด้วยอารมณ์ชั่ววูบถ้าเราไม่ไปตอบโต้เขาเราให้อภัยเขาเขากลับจะเขารบเราเขารบในความเสียสละของเราที่เราไม่ไปตอบโต้ไม่ไปทำร้ายเขา แล้วแทนที่เราจะสร้างศัตรูแล้วกลับจะได้มิตรเขาจะมีความเห็นความดีของเราเขาก็อยากจะเป็นมิตรกับเรานี่คืออเวลาหหนตุอายาปชาหหนตุก็แปลว่าไม่ให้เบียดเบียนกันไม่ทำบาปต่อกันนั้นเองเบียดเบียนไม่ให้ฆ่ากันไม่ให้เอาทรัพย์ของผู้อื่น ไม่ให้ไปประพฤติผิดตระเวณีไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นหรือบุตรธิดาของผู้อื่นถ้าอยากจะได้เขามาเป็นคู่กองก็ต้องไปสู่ข อ, อกันให้มันถูกต้องตามหลักประเพณีแล้วก็ไม่โกหกหลอกลวงกันไม่เดินสุรายาเมาจนเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาพอมาเกิดอาการมึนเมาแล้วก็จะไม่สามารถ รักษาความประพฤติ ท, ที่ดีได้คนมึนเมานี้ว่าจะจะหยาบคายจะกล่าวคำพลุสว่าต่างๆแล้วก็จะไปทะเลาะบอกแว้งหรือไปอทำร้ายกันเช่นเวลาขับรถเวลาเมาแล้วขับรถก็ต้องไปชนกันได้ไปทำให้ผู้อื่นเสียหาย เรียกว่าอบปปายาป ช, ชาโหรุจงไม่เบียดเบียนกันเถิดที่เราสวยกันนี้เป็นการศึกษาอเวลาโหตุจงไม่มีเวรกันเถิดอบปปายาป ช, ชาโหรุจงไม่เบียดเบียนกันเถิดอันนี้คาหโนตุจงพ้นจากทุกกายทุกใจเถิดก็คืออยากให้คนอื่นเขาไม่มีความทุกกายทุกใจ เราก็ต้องไม่กระทำอะไรที่ทำให้เขาทุกข์กายทุกข์ใจกันรู้จักเกรงใจกันทำอะไรต้องเกรงใจกันความเกรงใจนี้ทำให้เราอยู่กันอย่างมีความสุขถ้าไม่เกรงใจแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้อปยาปะอเนคาหนตุแล้วก็อันที่สี่ก็สุขีอั ต, ตานังปะลิหะรันตุจ่มีความสุขรักษาตนเถิดขอให้เขามีความสุข S <S <an> วิธีที่จะให้เขามีความสุขก็เนี่ยมีข้าวของเงินทองอะไรก็แบ่งให้เขาใช้บ้างถ้าเรามีมากกว่าเขา <S <S <an> <S เขาเดือดร้อน <S an> เขามีน้อยกว่าเราเป็นปีใหม่เราก็ส่งความสุขกันใช่ไหมให้ของขวัญกันนี่ก็เรียกว่าปรารถนาให้ความสุขแก่ผู้อื่นทำบุญทาทานนี่ก็ให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี่คือ เรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับจิตใจของพวกเราด้วยการทำบุญทำทานนะถ้าเราทำบุญทำทานแล้วเราจะมีความเมตตาแล้วเราก็จะรักษาศีลกันได้เพราะว่าคนทาบุญนี้จะไม่ชอบทำบาปจะไม่ชอบทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนจากการกระทาของเราเราจะทำอะไรเราก็ต้องคิดถึงผลกระทบต่อผู้อื่น ว่าเราทำแล้วทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียหายไม่เปล่าอันนี้ก็จะทำให้เรามีความทุกข์น้อยลงเวลาคนทำบาปนี้ใจจะไม่สบายจะมีความวิตกกังวลไปลต่างๆนานาบางทีเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ก็ตกใจทั้งๆที่บางทีเขาไม่ได้มาจับเรา เราอาจจะมาติดต่อขอทราบข้อมูลอะไรต่างๆแต่เนื่องจากเราไปทําผิดกฎหมายไม่ทําบาปไว้พอเห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเดินมาหาเรานี่เราก็ไม่สบายใจแล้วกลัวละความทุกข์ใจเกิดขึ้นแลแต่ถ้าเราไม่ได้ทําบาปไม่ได้ทําผิดกฎหมายเราจะรู้สึกเฉยๆเวลาเจอใครเราจะไม่กังวลว่าเขาจะ รู้ความลับของเราหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงไปนี่คือบุญกุศลที่เราทำด้วยการกาจัดการกระทำที่ไม่ดีการกระทำตา ม, ตามความโลภความความอยากต่างๆถ้ามีความโลภความอยากแล้วมันจะทำให้เราทำบุญไม่ออกเพราะเราเสียดายเงินอยากจะเอาเงินไป ทำตามความโลภตามความอยากเช่นแทนที่จะมาถวายเป็นพระราชกุศลอยู่วันไปเที่ยวกันดีกว่าอที่นี้หยุดอเอาเงินไปเที่ยวกันเราเปลี่ยนใจเปลี่ยนทิศทางการใช้เงินจากการใช้เงินตามความอยากมาใช้ในการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้ความสุข กับจิตใจและพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นผู้ที่มีบุญทําบุญผู้ที่มีความเมตตาไม่เบียดเบียนผู้อื่นรักษาศีลได้นี้ท่านเรียกว่าเป็นเทวดาพวงนี้ถึงแม้ร่างกายผู้ที่มีความเมตตาผู้ที่ทําบุญรักษาศีลนี้มีอ น, นิสงส์หลายข้อข้อที่หนึ่งก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย จะมีมนุษย์คุ้มครองจะมีเทวดาคุ้มครองตกน้ามไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เวลาเดือดร้อนจะมีขกทังขณะที่ตื่นแนละขณะที่หลับนะคนที่ทำบุญคนที่ไม่ทำบาปจิตใจจะมีความสุขเพราะไม่มีศัตรูมีแต่มิตรไม่มีใครเขาจะมีความเมตตาคือทำบุญทำทานและรักษาสีลได้ ส่วนผู้ที่ไม่มีบุญไม่มีศีลนี่ไม่ทําทานไม่รักษาศีลเนี่ยทำบาปไปเป็นเดรัจฉานหลงคือไม่รู้ว่าเป็นการกระทําบาปเป็นการกระทําที่ไม่ควรกระทําคิดกลับไปคิดว่าทําไม่แล้วไม่เสียหายเพราะว่าต้องทําเพื่อเลี้ยงชีพเนี่ยคนที่ทําบาเพื่อเลี้ยงชีพนี้เป็นพวกเดรัจฉานเหมือนกับเดรัจฉานที่เขาทําบาปเพราะเขาต้องเลี้ยงปากเลี้ยงทองเขา สัตว์นี่เขาสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเขาอยู่ด้วยการฆ่ากันถ้ามนุษย์ทําอาชีพแบบนี้เหมือนก็กลายเป็นเดรัจฉานไปทั้งทั้งที่ร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่จิตใจไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วจิตใจเป็นเดรัจฉานถ้าทําด้วยความโลภอยากล่ามอยากรวยอยากมีมากอยากมีมากอยากดูอยากกินมากอยากดื่มมาก ก็หาวิธีทำหามาด้วยการกระทำบาปช่อโกงบ้างโกหกหลอกลวงบ้างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ้างอันนี้จิตใจก็จะเป็นเปรตไปแล้วถ้าตายไปนี่ไปร่างกายตายไปใจก็เป็นเปรตทันทีเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายเป็นตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่แล้วถ้าทำ บาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเช่นเวลาใครมาทำให้เราโกรธเกลียดเราก็ไปทำร้ายเขาด้วยวิธีการต่างๆอันนี้ก็จะทำให้เราไปนรกกันอันนี้บาปหนักที่สุดก็คือการทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทความโกรธเกลียดเคียดแค้นพอมักจะถึงกับการฆ่ากันนี่คือ วิธีที่จะป้องกันไม่ให้เราจะไปอบายกันก็คือการมาทําบุญทําทานการมารักษาศีลการแผ่เมตตาให้ต่อกันละกันแต่ต้องแผ่ตอนที่เจอกันไม่ใช่แผ่ตอนที่ไม่เจอกันตอนว่าพระสวดมนต์นี่โอ้ยแผ่เก่งสัตเพสัตตาอะไวแผ่ไปใหญ่เลยสุดแต่พอเจอหน้ากันนี่แยกเขี้ยวใส่กันด่ากันว่ากัน อันนี้ไม่ได้แผ่และอันนี้กำลังแผ่ความโกรธความเกลียดอันนี้ก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลในระดับร่างการสร้างบุญสร้างกุศลในพระพุทธศาสนานี่แบ่งเป็นสองระดับระดับล่างและระดับบนระดับที่ระดับล่างนี่เราเรียกว่าระดับของนักบุญ นักบุญจะทําบุญแล้วก็จะรักษาศีลถ้าแล้วถ้าอยากจะขยับขึ้นไปสู่ระดับสูงที่จะดับความทุกข์ได้มากกว่านี้และดับได้อย่างถาวร น, นะสร้างความสุขที่ถาวรก็ต้องขยับขึ้นไปในระดับบนระดับของนักบวชนักบวชนี่ก็จะเปลี่ยนวิธีการสร้างบุญสร้างกุศล จากศีลห้าก็ต้องมาถือศีล8ศีลสิศีล220กว่าข้อเนี้ยนี่เป็นศีลของนักบวชอย่างพวกเราตอนนี้กําลังขยับขึ้นมาจากระดับนักบุญมาเป็นนักบวชกันชั่วคราวอย่างน้อยก็ยังตอนนี้มาทดลองมาชิมรสของนักบวช ด, ดูว่าเป็นอย่างไรนักบวชนี้จะสละการหาความสุขทางทางตาหูจมูกเลื่นกาย ซึ่งเป็นความสุขของกิเลสตัณหาที่จะทำให้เราไม่มีความอิ่มไม่ไม่มีความพอจะทำให้เราหิวมีความอยากจะเสพความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายไปเรื่อยๆเหมือนเสพยาเสพติดจะต้องดูต้องฟังดูละครดูหนังไปเที่ยวไปกินไปดื่มทำเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเวลาไม่ได้ทำก็หงุดหงิดนํำคาญใจ ว้าเว่เศร้าสร้อยงอยหเหงาเวลาไม่มีแฟนอยู่คนเดียวก็เหงาต้องมีแฟนแต่เวลาแฟนไม่อยู่ก็เสียใจเศร้าเศร้าใจเนี่ยมันมีความสุขเป็นความสุขที่มีควา ม, มความทุกข์ตามมาเป็นความสุขของนักบุญแต่นักบวชนี่เขาฉลาดเขาเห็นว่ามีความสุขอีกแบบหนึ่ง เป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพารูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องพึ่งพาลาบยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งพาสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั่นคนนี้ก็คือความสุขที่ได้จากการมาภาวนาภาวนาก็คือการทําใจให้สงบและทําใจให้ฉลาดการภาวนานี้มีอยู่สองระดับสมถภ า, าวนาระดับที่หนึ่งทาใจให้สงบ ใจสงบแล้วจะมีความสุขเมื่อใจมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะกระยับขึ้นระดับที่สองคือวิปัสนาภาวนาวิปัสนาภาวนาก็คือการละความหาความสุขต่างๆทางทางร่างกายถ้าเราไม่มีความสุขทางใจนี้เราจะไม่สามารถละความสุขทางร่างกายได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ย แต่พอเรามีความสุขทางใจที่ดีกว่าความสุขทางร่างกายเราก็เลิกหาความสุขทางร่างกายได้เลิกมีแฟนได้เลิกเที่ยวได้เลิกดูหนังฟังเพลงเลิกหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสได้อันนี้เรียกว่าวิปัสสนาคือเห็นโทษของการหาความสุขแบบนี้ว่าเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะว่าหามาได้เวลาอยากได้ถ้าหามาได้ก็ดีไป ถ้าเวลาอยากแล้วไม่ได้ขึ้นมาก็จะเสียใ จ, จทุกใจหรือเวลาได้มาแล้วต้องเสียไปได้แฟนมาก็ดีใจพอเสียแฟนไปก็เสียใจแต่ไม่ว่าเราจะได้อะไรมาเราก็ต้องเสียมันเพราะของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวไม่ไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนแ้่เรียกว่าอนิจจังอ น, นั้นตาไม่ใช่ของเรา ทั้งวันหนึ่งต่างหากันอยู่ในขณะนี้ว่าเป็นความทุกข์ความสุขจากได้จากการหาเงินทองหายศหาตำแหน่งหาสารสรเญของพวกนี้มันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเวลาอายุหกสนี้ตำแหน่งต่างๆก็ไปหมดแล้วกลับมาเป็นราศดรธรรมดาราศดรเต็มขั้น แต่ตอนที่ทํางานออก็เป็นหัวหน้ากองเป็นหัวหน้าแผนกเป็นนู่นเป็นนี่มีบริษัทบริวารมีคนคอยสรรเสริญเยินยอแต่มันเป็นของชั่วคราวเวลามันหมดไปนี้ก็เหงาแล้วเลยคนที่กเกษียณนี่มักจะเหงาอยู่บ้านคนเดียวถ้ายังไม่กเกษียณนี่มีคนมาคอยหาตลอดเวลามาคอยรับใช้มาคอยขอความช่วยเหลือ แต่พอหมดอำนาจนะนนแล้วหมดหมดเกษียณหมดเกษียณแล้วทีนี้ก็ไม่มีใครมาหาเราแล้วนะก็เหง า, ว, าว้าเหวซึมเศร้าบางคนก็ข้ า, ขาตัวตายอยู่ไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้เหงาแต่ถ้าเรารู้จักทำใจให้สงบ น, ะนั่งสมาธิจันยันสมะถะภาวนา ทำใจให้สงบได้เราจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาเราไม่มีลาบยศสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะรู้สึกเฉยๆเราไม่ต้องการมันแล้วเาเรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ไม่จากเราไป ความสุขนี้พอเรารู้จักวิธีทํามันแล้วเราก็ทํามันได้พอเรานั่งสมาธิเป็นแล้วเราก็สามารถนั่งสมาธิได้ตลอดเวลาเวลาอยากจะได้ความสุขก็นั่งสมาธิไปเราไม่ต้องอาศัยไขไม่ต้องใช้เงินใช้ทองแม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องใช้เวลาไม่สบายก็ยังทาสมาธิได้เวลาตายก็ยังทาสมาธิได้ เราเลยไม่คนที่มีความสงบมีความสุขทางใจแล้วจะไม่กลัวตายไม่กลัวความเจ็บไข้ในป่วยไม่กลัวความแก่จะไม่มีความทุกข์กับอะไรเลยนี่แหละเป็นการพัฒนาขั้นสูงสุดคือพัฒนาระดับของนักบวชจะได้ความสุขที่ถาวรและจะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจที่เรามีอยู่กันในขณะนี้ให้หายไปหมดเลย จะไม่ทุกข์กับอะไรเลยถูกแล้วถูกไล่ออกจากงานวันนี้ก็ไม่ทุกข์ถูกเลื่อนถูกย้ายโยกย้ายไปทําตําแหน่งอื่นหรือถูกถูกลดขั้นลดจนเดือนก็ไม่ทุกข์ไม่มีใครมาสรรเสริญเยินยอก็ไม่ทุกข์ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้เสพก็ไม่ทุกข์ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอมตพึ่งอมภะพาเป็นอะไรก็ไม่ทุกข์ อันนี้คือความจริงเนี่ยถ้าใจเราสุขสักอย่างแล้วมันไม่เดือดร้อนกับความเป็นความไปความเป็นความตายของร่างกายหรือของอะไรต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นราบยศสารเสน ร, รูปเสียงกลิ่นรสนี่คนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เขาจะทิ้งเราเขาจะไม่มาคบค้าสมาคมกับเราเขาจะไม่มาดูแลเราไม่เป็นปัญหาอะไร ใจที่มีความสุขนี้ดูแลตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งใครเป็นที่พึ่งของตนที่พระเจ้าสอนให้พวกเราหาที่พึ่งของให้เป็นที่พึ่งของตนก็คือพึ่งด้วยวิธีนี้พึ่งด้วยการทำใจของเราให้มีความสุขเมื่อใจเรามีความสุขแล้วเราไม่ต้องพึ่งอะไรตอนนี้เรายังต้องพึ่งราบยศสรรเสริญพึ่งรูปเสียงกลิ่นนั่นกันอยู่ก็เพราะว่าเราพึ่งตัวเราเองไม่ได้ เราหาความสุขในตัวเราไม่เจอเวลาเราเราเลยต้องออกไปหาความสุขข้างนอกแต่ความสุขข้างนอกมันเป็นแบบของที่มาได้ไปได้ไม่แน่นอนเวลาได้ก็ดีใจเวลาเสื่อมก็เสียใจเวลาเสียไปก็เสียใจเวลาจเจริญราบยศสระเสริญสุขก็ดีใจกันเวลาเสื่อมราบเสื่อมยศเสื่อมสรรเสริญ เสื่อมสุขก็กลายเป็นความทุกข์กันเพราะของพวกนี้มันดิ้นไปดิ้นมามันไม่มันไม่แน่นอนมันไม่คงเส้นคงวาถ้าเรามีปัญญามีวิปัสสนาเราก็จะเห็นว่าเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้มีสิ่งเดียวที่เป็นที่พึ่งของเราได้ก็คือความสงบที่เกิดจากการเจริญสมถภาวนานี้เองเกิดจากการฝึกนั่งสมาธิ กอนจะนั่งสมาธิได้ก็ต้องมีสติครควบคุมความคิดก่อนถ้าไม่หยุดความคิดไม่ได้ก็นั่งสมาธิก็ไม่สงบดนั้นก่อนที่เราจะนั่งสมาธิเราต้องฝึกสติก่อนที่ก็สอนให้บริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยก็เป็นการฝึกสติสร้างสติขึ้นมาให้พุทโธไปทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้พุทโธพุทโธไปใจจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่าง หรือถ้าไม่พุโทโธก็ให้เฝ้าดูการกระทำของร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ขณะ น, นี้ให้อยู่กับการกระทำของร่างกายกำลังล่างหน้าแปลงฟันแต่งเนื้อแต่งทั่วรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นตอนนี้ฟังก็ให้ฟังอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องเรื่องอื่นเพราะถ้าฟังแล้วไปคิดเรื่องอื่นจะฟังไม่เข้าใจ ใจต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวและเวลานั่งสมาธิถ้าให้ดูลมมันก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอดูลมอย่างเดียวเดียวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบสงบแล้วก็จะนิ่งจะสบายมีความสุขแล้วก็จะไม่หิวไม่โหยกับลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงเก่นรอดต่างๆพอเราทำได้ครั้งหนึ่งแล้วก็จะทาไปได้เรื่อยๆเวลาจิต หิวโหวยกับรูปเสียงกลิ่นรสก็มานั่งสมาธิแทนเวลาหิวโหวยกับลาบยศสรเส ร, ริญก็มานั่งสมาธิแทนต่อไปมันก็จะไม่หิวกับลาบยศสรเส ร, ริญไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสลาออกจากงานได้เอริรีได้ทำงานมาเหนื่อยไปเปล่าๆไม่ได้อะไรไม่ได้ความสุขแบบมานั่งสมาธิกันไปเสียเวลากับการทำงานแบบนั้นทำไมซู้เอาเวลามานั่งสมาธิกันดีกว่า ในความสุขที่ดีกว่าที่ท้าวรนนะเราจะหมดทุกข์จะไม่มีภยัยไม่มีพิษภัยอะไทาง จ, จิตใจต่อไปนี่คือวิธีการปฏิบัติบูบชาที่พวกเราม า, มาบาเพ็ญกันถ้าพวกเรามีความสุขไม่มีความทุกข์แล้วเราก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้มากมายทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้ช่วยเหลือทำให้สังคมอยู่กันอย่างร่มเย็ยนเป็นสุข ก็จะไม่มีการแข่งแย่งชิงดีกันไม่มีการแย่งราบยศสรรเสริญไม่มีการแย่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะกันมีแต่จะแบ่งปันกันเอาเอาไปใครไม่มีเอาไปเรามีก็แจกจ่ายกันไปช่วยเหลือกันไปนี่คือความปรารถนาของผู้หลักผู้ใหญ่เช่นบิดามานดาพ่อแม่อุบาจารย์พระพุทธธรรมพระสงฆ์พระเจ้าอยู่หัว ท่านต้องการให้พวกเราเป็นคนดีมีความสุขสุขด้วยความดีไม่ใช่สุขด้วยการกระทำบาปสุขแบบนั้นไม่ดีทำให้บ้านเมืองวุ่นวายสุขแล้วสุขแบบแก่งแย่งชิงดีกันอันนี้จะทำให้องค์กรแตกแยกงานการก็ไม่เกิดมัวแต่มาคอยวิ่งเต้นหาตำแหน่งกันหาหาอะไรกันเวลาที่จะมาทำงานให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมก็ไม่เกิด แต่ถ้าพวกเรามาปฏิบัติทํากันมากําจัดความโลภความอยากในราบยนสรเส ร, ริญในรูปเสียงกลิ่นลดได้พวกเราจะทํางานกันอย่างมีประสิทธิภาพและองค์กรก็จะเจริญก้าวหน้าเราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขนี่เรียกว่าเป็นปฏิบัติบูบชาเป็นการบูชาที่แท้จริงการบูชานี้ก็บีสองแบบ อามิสบูชาและปฏิบัติบูชาอามิสบูชาก็คือการบูชาด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูกเทีย น, น, นเวลาเราไปคารวะผู้หลักผู้ใหญ่เราก็เอาดอกไม้ทูบเทียนไปแสดงความคารวะอันนี้เรียกว่าอามิสบูชาผลที่ได้จากอามิสบูชา น, นี้ไม่มากเหมือนกับปฏิบัติบูบชา แต่ก็ควรจะทำทั้งส อ, งอย่างแล้วแต่กาละเทศะการไปเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปแสดงความคารวะก็ทำให้ผู้ใหญ่มีความสุขที่เห็นพวกเราเป็นผู้มีความอ่อนน้อมมีความคารพผู้หลักผู้ใหญ่แล้วน้อมเอาคำสอนโอวาทของผู้หลักผู้ใหญ่ไปปฏิบัติซึ่งเป็นผลที่ท่านต้องการคือปฏิบัติบูบบชา ถ้าเราไม่อ่อนน้อมไม่เคารพเราก็จะไม่เข้าหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะสั่งจะสอนเราเราก็ไม่ฟังเราก็จะไม่ปฏิบัติบูบชากันพอเราไม่ปฏิบัติบูชาบ้านผลก็จะมีแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆดังนั้นขอให้พวกเร า, าจเจริญการบูชาทั้งสองรูปแบบนี้คืออมิสบูชาและปฏิบัติบูชาแล้ว เราจะมีแต่ความสุขและความเจริญก้าวหน้าด้วยอายุวันะสุขะพละไปตลอดจนวันตายตการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ม, มีทั้งสือซีดีแจกนะดได้ไ ด, ไไดูตามสบายเลย เดี๋ยวมีอีกอขอให้เอาไปอ่านนะอย่าเอาไปแจกนะไม่ให้เอาไปแจกให้เอาไปอ่า น, นถ้าก็อยากได้ก็เอาไปฝากก็ได้แต่อย่าไปฝากคนที่เขาไม่ได้อยากก็ได้ถ้าเขาขอเราก็อบอกให้เอาไปให้ขเขาร้องไปได้ไม่เป็นไรเอาไปได้มีเอาไปมีเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอีกหยิบได้ อ๋อเอาไปอ่านนะเขาเขา อ, อยู่ในโลกใช่ไห่ให้เข้าเข้าไปใน Facebook ก็ได้เข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้ดาวน์โหลดทั้งสื่อได้ไในในแผ่นซีดีจะมีเว็บไซต์บอกให้ไปดาวน์โหลดได้ไติดต่อจากทาง Facebook ก็ได้เนี่ยมีถ่ายทอดสดทุกวัน ให้เขาติดตามได้บายสองโมงถึงสี่โมงเฟซบุ๊กกับ y ยูทูบไลฟ์อันนี้เข้ามาเท่าไหร่ละโบวันนี้เข้ามาสองร้อยเก้าสิบค่ะสองอยเก้าสิบมีห้าสิบประมาณห้าสิบนะคัตรงนี้มาแล้วอ่ะยี่ห้อ่ะไรบาอันนี้ชาลานค <c oughs> ารบะจําตรงนี้มาจากลาสเวกัสเวลาตอนนี้เขาเที่ยมเคย เขาช้ากว่าเราสิบห้าชั่วโมงเขาเทียงคืนของเมื่อวานนี้ mm hmm. แต่เราไปก๊นี่เขาทำงานตอนคืนกันนะ mm hmm. กลางวันเข้านอนกันนะมีใครอยากจะถามอะไรไั้มถามได้เลยนะครับไม่ต้องอายนะครับยังยังพวกผมนะ่ะก็มาปฏิบัติ ท, ทำสามวัน2คืน ในส่วนหนึ่งคือชีวิตที่ปกติก็คือทํางานนะครับก็ในส่วนของนั่นคือว่าเป็นทางห ล, ลวงเราก็จะประสบพบกับหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งทีก็เป็นส่วนเที่ยวาจูงหลบไม่ได้นะครับเพราะเราต้องไป็นทหนารนาทีนาทีมา3วันนี้นะครับก็คงจะติดมันนั่งอยู่ที่นี่นะครับก็ไ ด, ด้ในส่วนต่างๆแต่พอปัจจันแล้วก็ เราไปไปฏบัา ป, ปกตินีะครับเรจะขอคำแนะนำนะครับที่ว่าเราจะไปไปฏิบัติยังไงในส่วนนี้ก็เป็นนักบุญไปก็พยายามรักษาศีลห้าไปเอาล้วรักษาศีลห้ายิ่งกว่าอะไรแล้วเราก็จะไม่ต้องทำบาปแต่ถ้าเราเห็นว่าสิ่งอื่นดีกว่าศีลห้าเราก็อาจจะต้องไปทำบาปแต่ลองคำนึงถึงผลที่จะเกิดจากการทำบาป ว่ามันได้ไม่คุ้มเสียเราจะได้เงินทองได้ยศได้ตําแหน่งได้อะไรมาแต่มันเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวเราก็เสียอายุหรือตายไปมันก็หมดสภาพไปผลที่ได้จากการทําบาปมันยังไม่หมดถึงแม้จะไม่ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางแต่ถ้ามันทําบาปก็ต้องไปเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เป็นเดรัจฉานก็ไปเป็นเปรไม่เช่นนั้นก็ไปตกนรก แต่อันนี้เรามองไม่เห็นเราอาจจะไม่เชื่อก็ได้เราอาจจะคิดว่าร่างกายตายไปแล้วไม่ก็ไม่มีผู้ไปรับผลบุญผลบาปต่อไปแต่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นเพียงบ่าวเป็นผู้รับใช้เราเราเป็นใจเราเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆเหมือนกับเวลาที่เราขับรถในเวลารถไปชนคนตายนี่เขาไม่จับรถเข้าไปขังคุกขังตารางเนี่ย เขาจับคนขับไปรังคุกรังตารางฉันใดใจที่ทำบาปนี้ก็ต้องไปขังคุกรังตารางในอบายเพียงแต่เรามองไม่เห็นใจมองไม่เห็นตัวเรานั่นเองเราจะเห็นเวลาที่เรามานั่งสมาธิกันเพราะเวลานั่งสมาธิเวลาใจสงบนี้ใจจะแยกออกจากร่างกายร่างกายจะหายไปเราจะเหลือแต่ตัวรู้คือตัวใจนีนตัวเดียว เราก็จะรู้ว่าตัวนี้มันไม่ได้เป็นร่างกายแล้วเมื่อร่างกายเป็นอะไรตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นไปกับมันตัวนี้มันจะเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่ที่บุญที่บาป ท, ที่กำลังทากันอยู่ในขณะนี้เอ็นพยายามรักษาความเป็นมนุษย์ความเป็นเทวดาไว้การรักษาความเป็นมนุษย์ก็คือต้องรักษาศีลห้าให้ได้ถ้าอยากจะเป็นเทวดาสูงกว่ามนุษย์ก็ทาบุญไป ช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้อย่างเดือดร้อนไปเสียสละแบ่งปันสร้างให้ความสุขแก่ผู้อื่นใจเราก็จะสูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดาแล้ววันพระก็ขยับขึ้นไปเป็นพรหมมานั่งสมาธิมาถือศีลแปดกันตัดเรื่องไปเที่ยวกันนะวันหยุดทำงานก็เอามาปฏิบัติทำกันแทน วันธรรมดาก็เป็นนักบุญวันหยุดก็เป็นนักนักบวชกันแล้วเดี๋ยวต่อไปก็พอไม่ต้องทำงานก็ไปเป็นนักบวชได้เต็มเต็มตัวเป็นรูปเต็มรูปแบบทีนี้ก็มีคนที่กเกษียณเป็นหมอพอกเกษียณปั๊บก็มาบวชต่อเลยเพราะตอนที่เป็นคารวานก็ปฏิบัติอยู่ก่อนแล้วซ้อมไว้ก่อนแล้วพอกเกษียณปั๊บก็มาบวชต่อเลยไม่ว่างงาน เป็นจากงานหมอมาเป็นงานพระต่อเลยแต่ถ้าเราไม่ฝึกไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนมาอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเคยอยู่กับความสุขทางร่างกายพอต้องมาตัดมันมาอยู่วัด น, นี่มันจะทรมานใจแต่ถ้าเราฝึกไว้ก่อนวันเสาร์วอาทิตย์วันหยุดนี้เราฝึกเป็นพระเป็นนักบวชกันไปก่อนเพราะเวลาที่เราไม่มีงานทําแล้วเราก็ไปเป็นนักบวชได้เต็มรูปแบบเลย ก็พยายามรักษาสี่ห้าก็ลบกฎกหมาย ก, กฎกติกาอะไรต่างๆถ้าเราไม่ต้องการผลประโยชน์จากใครเราจะรักษาได้แต่ถ้าเราต้องการผลประโยชน์ก็จะรักษายากเพราะบางทีเขาก็จะมาขอแลกกันถ้าคุณต้องการไอ้นี่คุณต้องทำไอ้นี่ให้ผมเราต้องอย่าไปโลภมากให้พอใจกับรายได้ที่เราได้ จากหน้าที่การงานของเราพอละถ้าเรารู้จักใช้เงินใช้ทองประหยัดไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยรับรองได้ว่าเราไม่ต้องไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้ไม่ต้องไปแลแกเปลี่ยนประโยชน์กันเราก็จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างสุจริตไม่บกขอบไม่มีเขตไม่มีเหตุไม่มีผล ถ้าเราควบคุมการใช้เงินทองได้อยู่แบบสมถะเรียบง่ายได้เราก็จะไม่ต้องไปทําผิดกฎหมายไปทําผิดศีลผิดธรรมไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับผู้อื่นพอใจกับรายได้ที่เรามีอยู่พอใจกับตําแหน่งที่เรามีอยู่ก็พอแล้วคิดว่าตายไปก็เอกไปไม่ได้เดี๋ยวภาษียณมันก็จบ แต่ของที่เราจะต้องไปรับผลตอมันมีถ้าทำบาปมันก็จะไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์ไม่ได้ไปเป็นเทวดากันจะไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตกันแทนให้ให้มีฮิริโอตปะฮิริคือความละอายในการกระทำบาปทาผิดกฎหมายโอตปะให้กลัวโทษที่จะตามมามันมีโทษแต่เราอาจจะไม่คิดว่ามันเราหลบได้ ทางทางกฎหมายก็อาจจะใช้เงินใช้เงินใช้เงินซื้อได้ล้างล้างโทษด้วยเงินได้ทางกฎหมายแต่ทางบาปนี้ไม่มีทางจิตใจนี้ล้างไม่ได้ทางบาปเนี่ยมันกดแห่งกรรมกดแห่งกรรมนี้ไม่มีไม่มีคนมาคอยรับเงิน ร, ร, รับทองเพื่อที่จะมาล้างล้างกรรมของเราทำกรรมอันใดไว้แล้วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั่นเสมอ ให้เราไมีเฮเลโอตา ป, ปะคนที่ทำบาปคนที่ทำผิดนี่เป็นคนที่ไม่น่าดูไม่น่ารักไม่มีเกียรติคนที่มีเกียรตินี่เป็นคนที่สะอาดบริสุทธิ์สุดจริตซื่อสัตสุดจริตเป็นคนที่มีเกียรติไม่ต้องเราให้เขาให้เครื่องราดเราหรอกเราให้กับตัวเราเองจะดีกว่าเรารู้ว่าตัวเราดีหรือไม่ดีไม่ต้องให้คนอื่นเข้ามา บอกว่าเราดีหรอก <hire. S 1> <บ asket. S 2> เวลาที่เขาให้เครื่องราชให้ใบประกาศนียบัตนี้เป็นการมาบอกว่าเราเป็นคนดีนแต่เราจะดีจริงไม่ดีจริงนี่เรารู้อยู่แก่ใจของเราเองเ ร, เราดีเขาไม่มาประกาศไม่ให้เครื่องราชเราเราก็ดีของเราอยู่นั่นแหล ะ, ะเราไม่ดีต่อให้เขาให้เครื่องราชเราเราก็ยังไม่ดีอยู่นั่น <c oughs> มันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ตัวเราเอง ยิ่งให้เราให้เครื่องรากกับตัวเราเองจเจ้าชั้นไหนก็เลือกได้เนี่ยทําความดีไปสิระดับไม่มีหลายระดับให้มีฮิริความอายอุตตปะความกลัวความกลัวโทษที่จะตามมาแล้วเราจะไม่กล้าทําบาปไม่กล้าทําผิดกฎหมายขอถที่สองนะครับในปัจจุบันนะครับ ก็จะมีม mm ีเหตุการณ์หนึ่งนะครับหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็จะสองเหตุผลของสองฝ่ายนะครับซึ่งบางทีก็ต่างฝ่ายก็ต่างว่าเหตุผลเป็นผู้นะครับมีเรื่องขอทำว่าเราจะมีหลักยังไงเลยแยกว่าที่ไหนเป็ฝ่ายที่ถูกอ๋อการกระทำอะไรถ้าเป็นโทษกับผู้อ่นอันนี้ก็ถือว่าไม่เถื่อนนะ การกระทำอะไรต้องไม่เกิดโทษแก่ผู้เกิดแต่ประโยชน์เกิดแต่ความสุขถ้าทําไปแล้วเกิดโทษมันก็ผิดตามหลักของศาสนาทางบ้านเมืองอาจจะไม่ผิดก็ได้เช่นคนที่เราคิดว่าไม่ดีเป็นภัยต่อว่าเมืองเราก็ฆ่าเขาอย่างนี้กําจัดเขาอันนี้มันก็มันก็ดีทางโลกแต่ทางธรรมมันก็ไม่ดี เพราะว่าคนที่ฆ่านี้ก็จะต้องไปรับผลบาปต่อไปต่อไปก็มาเกิดก็ต้องถูกเขาฆ่าบ้างเันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอามาตรฐานทางโลกหรือทางธรรมมาใช้ถ้าเอาทางธรรมเราก็ต้องยอมตายดีกว่าไปฆ่าเขาพูดง่ายงเพราะยังไงก็ตายอยู่ดีใช่ไหม พอเราเกิดมาไม่ช้าก็นเลยก็ต้องตายกันอยู่ดีตายด้วยการทําบาปกับตายด้วยการไม่ทําบาสนี้มันต่างกันเวลราตายแล้วทาบาสมันมีผลต้องไปใช้แต่ตายแล้วไม่ได้ทําบาสนี้ไม่ต้องไม่มีผลไปรับใช้ต่ออันนี้เราไม่เข้าใจกันเราไม่เห็นกันเราจะเห็นแต่ผลที่เกิดขึ้นในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเราไม่คิดถึงผลที่จะตายใน มีเวรมีกรรมกันไปไ ม, ไม่จบเนี่ยโลกมันถึงมมีปหเวลามาก็มาตัวเปล่าเล่าใช่ไหมเอาอะไรติดตัวมาบ่เวลาตายไปาจะใช้วิธีที่ถูกต้องก็ต้องใช้หลักธรรมนะเห็น mm hmm. พระพุทธเจ้าท่านก็สามารถอยู่เป็นคารวานแล้วเป็นมหาจาักรพรรดิได้ท่านมีบารมีระดับมหาจากกาักรพรรดิ แต่ท่านพิจารณาด้วยทำแล้วท่านเห็นว่ามันเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมไม่มีจบไม่มีสิ้นเป็นการเบียดเบียนเป็นการสร้างความทุกข์เดือดร้อนเห็นั้นตอนนี้สงครามในซีเรียเห็นไหสองฝ่ายแข่งแย่งอำนาจกันแล้วใครเดือดร้อนอ่ะคนตาดำๆชาวบ้านตาดำๆไม่รู้อีหน่อยเด็กเล็กเด็ ก, ด ก, ดกน้อยอะไร เพราะสองฝ่ายเทวว่าตนเองถูกด้วยกันทั้งคู่ก็ <ừ. S 1> ลเลยต้องเอาแพ้ชนะด้วยกำลังแบ่งแยกผลประโยชน์กันแย่งแยงอำนาจกันแล้วปไปงานคนนีอบพยพไม่มีบ้านอยู่เป็นล้านตายกันเป็นแสนเพราะแค่คิดว่าทั้งสองฝ่ายถูกเขาก็ถูกเราก็ถูก แต่ถ้าเราคิดแบบพระพุทธเจ้าไปบวช ด, ดีกว่ามึงอยากจะได้ราชวางังราชสมบัติยกให้เลยลพระพุทธเจ้าก็ไปเป็นพระพุทธเจ้าดีกว่าไปบวชไปไปนิพพานดีกว่าไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดถ้าคุณไม่ได้ศึกษาธรรมคุณก็จะไม่รู้จักวิธีที่จะใช้ธรรมในการตัดสินปัญหาก็ต้องใช้ทางโลก ทางโลกก็ต้องมองผลประโยชน์ของเราเป็นหลักถ้าเราเสียผลประโยชน์เราก็ต้องป้องกันเราต้องรักษาใครจะมาทําลายทําร้ายเราเราก็ต้องทําร้ายเขาก่อนอันนี้เป็นทางโลกก็จะมองกันอย่างนั้นถ้าเป็นทางธรรมก็ตายไปก็ไม่มีใครเอาไปได้ะจะใช้ทางธรรมได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมทาใจให้มีความสุขก่อน ถ้ามีความสุขแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรคนที่มีความสุขทางใจนี้เขาไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีอำนาจไม่ต้องมีอะไรใครอยากจะได้อะไรก็เอาไปเลยแต่ถ้าเรายังไม่มีความสุขทางใจเราก็ยังหิวกับทางอำนาจวาสนาอยู่ทางลาบยศสรรเสริญอยู่เราก็จะสละไม่ได้ปล่อยไม่ได้ยอมไม่ได้แพ้ไม่ได้ พยายามมาปฏิบัติทําให้มากๆทําใจให้สงบให้มากๆแล้วเราจะได้ใช้ธรรมะเป็นการพิจารณาเป็นการตัดสินใจได้เราจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครถ้าเรายอมทักคนเดียวมันก็จบใช่ไหมแต่อยากจะได้อะไรเอาไปเอาไปอยู่ป่าคนเดียวไปบวชนี้มันก็จบ ใจใหญกจะได้อะไรก็ออกไปเราไม่ต้องไปต่อสู้กันไปทำร้ายกันทำลายกันเข า, mm hmm. ามีหลักสูตรสามยอเคยเคยได้ยินไหมสามยอยอมหยุดแล้วก็เย็นนะ mm hmm. ถ้ายอมแล้วก็หยุดต่อสู้พอหยุดต่อสู้ก็จะเย็นจะสบายทั้งสองฝ่ายฝ่ายเขาก็สบายฝ่ายเราก็สบาย ต้องยอมเสียยอมสละเขาอยากจะได้อะไรก็เอาไปคิดว่าถึงเวลาที่เราต้องเสียแล้วก็แล้วกันเหมือนกับเวลาที่เราตายนี่เราก็ต้องเสียทุกอย่างอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องตายดีไม่ดีเราอาจจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้มีใครไปกาหนดได้ว่าจะตายมาเมื่อไหร่เห็นตราบไดถ้าเรามีความสุขทางใจนี่เราจะสามารถที่จะยอมได้ ถ้าเราไม่มีความสุขทางใจเราไม่ยอมเนะพราะเรายัางต้องเพิ่อสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราถ้าเราเสียสิ่งต่างๆไปเราก็จะไม่มีความสุขเราก็ยอมไม่ได้ถึงแมารู้ว่ายอมโนดีก็ยอมไม่ได้การมาขอแฟนไปนี่ยอมไอมขอไงก็ไม่ยอมถ้าเรายัางต้องมีแฟนแต่ถ้าเรามานั่งสมาธิมาอยู่วัดได้ถ้าอย่างอยากเอาแฟนก็เอาไปเลย ไม่ต้องมาทุกไม่ต้องมาห่วงกันนะไม่ต้องมาอะทะเลาะกันเี่ต้องหาความสุขทางใจให้เจอถ้ามีความสุขทางใจแล้วเราจะยอมได้ยอมหยุดแล้วก็จะเย็นไปตลอดใ น, นในข้อนี้ก็คล้ายๆกคำว่าปล่อยวางใช่ไหมปล่อยวางนั้นไม่อยู่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นของเราแนละ้วเราอย่าไปเนวง อย่าไปหน่วงเ่าเขานึงเข้าไว้เลยอย่าไปรั้งเขาไว้เลยถ้าเขาจะไปให้เขาไปแล้วเราจะไม่เหนื่อยแล้วเราจะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์กันก็เพราะพยายามเหนี่ยวรั้งให้เขาให้สิ่งที่ไม่ได้เป็นของเราเป็นของเราต่อไปในในสังคมโลกเนี่ยนอกจากที่จะยอมปล่อยวางหรือให้อะไรไปแล้ว น, นะครับมันจะมีทางสังคมด้วยว่านอกจากจะเสียหรือว่าให้ของนั้นไปแล้วสังคมก็ เหมือนคล้ายๆดูสูกดูแข็งก็ไม่เป็นไรเราเป็นว่าเขามองด้วยความหลงเขามองด้วยผลประโยชน์เป็นหลักคนที่ยอมเสียประโยชน์ก็ถือว่าคนโง่คนฉลาดต้องได้ผลประโยชน์ต่อรองกันนี่ต้องกําไรใช่ไหมถ้าขาดทุนนี่แสดงว่าโง่แล้วสู้เขาไม่ได้แต่ทางทรรนี้คนที่ยอมขาดทุนนี่เป็นคนฉลาดรักษามิตรไว้รักษามิตรภาพ แล้วอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าเราเอาชนะเขาเขาก็ยังไม่ทำกับเราเขาก็ไม่ทำธุรกิจกับเราต่อไปทํากับเราแล้วเขาขาดทุนเขาก็ไม่อยากจะทำเราก็จะขาดคู่ค้าไปคนงนึ้งคือถ้าเราไม่ร่ำมากเราคิดว่าไม่ได้มากแต่ก็พออยู่ได้ก็เอา เราต้องสา ม, มารถาจะสา ม, มารถทำได้นี่ต้องมีความสงบเนงต้องหัดฝึกสมาธิให้ได้อันนี้เป็นเป็นกุญแจดอกสําคัญในการที่จะทําให้เราปล่อยวางได้ยอมได้หยุดได้แต่ถ้าเราไม่มีความสุขทางใจความสงบทางใจเราไม่มีวันที่จะปล่อยได้ยอมได้ยอมตายดีกว่าดีก็อยู่แล้วให้เขาดูถูกดูแคลนว่าเราโงถา่ถ้าพูดถึงคนในโลกนี้เนี่ย น่าจะเกินเกินครึ่งที่สามารถจะอยู่พอเคียงได้นะครับปัจจัยศีลให้อยู่ได้นะครับเขาว่าถ้าเกิดเขาคิดได้นี่เขาก็จะไม่มีความขัดแย้งเขาไปว่ะก็มีน้อยน้อยกว่าก็มีบ้างแต่ก็ไม่มากก็เมืองพุทธเราจึงเป็นเมืองที่สงบกว่าเมืองอื่นเนี่ยเพราะคนไทยเราก็มีศาสนาคอยสอนให้เราออยู่แบบธรรมถาเรียบง่าย คอยกำหลัดความโลภความอยากต่างๆให้ยอมกันให้สามัคคีกันให้รักกันพอหลังมาเมืองไทยเนี่ยเราถามว่าทำไมถึงมาเมืองไทยเพราชอบคนไทยนก็ไม่ได้ชอบสถานที่นู่นที่นี่แหละแต่เขาชอบคนไทยเพราะคนใจมีคนไทยยิ้มสวยคนไทยยิ้มเป็นคนไทยเย็นนี่ยแปลว่าความเมตตาเนี่ยแผ่เมตตาเนี่ยเวลาเราเจอกันเรายิ้มให้กัน ฝางหลังนี้ไปเจอเขางก็ไม่ค่อยยิ้มให้ใครเบึง่งเตงกันต่างคนต่างไม่ไม่ไม่สนใจกันต่างคนคอยแต่หาหากินหาเลี้ยงตัวเองไปไม่ค่อยกังวลไม่ค่อยห่วงใ ย, ยคนอื่นเท่าไหร่มีส่วนที่ว่ารำพอความปลอยวางเนี่ยแล้วอาจจะมีส่วนอย่า ง, างบางส่วนบุคคลก็ ว่าอย่างนั้นก็ไม่ไม่พัฒนาอะไรในเรื่องพัฒนาที่อยี่ความเจริญก้าวหน้านี่ ม, มองในสวยย่วนก็มองไ ม, ไม่การพัฒนามันต้องดูที่ใจดูที่ความสุขด้วยความทุกข์เป็นหลักไม่ใช่ <c oughs> ดูที่วัตถุดูที่ปริมาณถ้ามีวัตถุมีอะไรเยอะแยะแต่ใจไม่สุขนมีไปทําไมใช่ไหม <c oughs> มีบ้านร า, ราคาสิบล้านแต่ว่านอนกอนไหน้าผากโอ้ย ยังต้องหาเงินมาผ่อนบ้านอยู่เนี่ยมีงั้นมีไปทาไมซู่นอนใต้ใต้สะพานดีกว่านอนแบบขอทานแต่หลับคลอกเลยเอ๋พา <c oughs> จางสอนให้พาดอยู่แบบขอทานจะนอนหลับสบายพรุ่งนี้จะกินอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยถึงเวลาก็รู้เองมันก็อยู่มาได้ทุกวันนะใช่ไหม นั่นหละการพัฒนาที่แท้จริงต้องพัฒนาที่ใจความสุขต้องสุขที่ใจไม่ใช่สุขทางร่างกายสุขร่างกายก็สุขชั่วกวเดี๋ยวเวลาแก่เจ็บตายมันก็ไม่สุขแล้วแหละ <c oughs> เวลาเข้าโรงพยาบาลทีคืนละแสนเข้าไปทําไม <c oughs> ก็ตายเหมือนกันใช่ัหมเวลาจะตายก็ตายเหมือนกันเข้าโรงพยาบาลสามสิบ า, บาทรักษาทั่โลกก็ตายเหมือนกันไม่เหนื่อยกันทําไมเอ ถึเงเวลามันจะตายมันไม่มีใครมายับยั้งมันได้หรอพกพระเจ้าถึงสอนให้พวกเรานึกอยู่เรื่อยเตือนอยู่เรื่อยๆเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่เจ็บตายไปไม่ได้ลวงพ้นการพลาดพลาดจากกรรไปไม่ได้เตือนใจอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะปรงได้เยอะมันจะไม่ค่อยวิตกกังวลกับอะไรมากมันก็ไม่ต้องดิน้นหนนหาข้าวหาของหาเงิ น, นหาทองเพื่อมารักษา ดูแลร่างกายมากเกินความความเป็นไปได้มีเงินร้อยล้านพันล้านก็ห้างความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้อยู่ดีจะก็หามาทําไมใช้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีความสุขสุขเดี๋ยวเดียวกิน อ, อาหารมืเราเหมือนกับกินอาหารมื้อละร้อย น, นี่มันต่างกันไหมมันก็อิ่มเหมือนกันเนะี่ย ฉันซื้ออุจารมาหมื่นหนึ่งแล้วอซื้อไปจะขายให้ยังไม่มีใครซื้อหรอกในชะ่ไหมอุจจระมันก็มาจากอาหารที่เราซื้อมากินไม่ใช่ใหรือไอ้คิดมุมกลับบ้างแล้วมันจะทําให้เราโปรงได้หายหลงกันเราไม่คิดมุมกลับกันแล้วมองด้านเดียวมองด้านกิเลสมันก็เลยทําให้เราโอ้โหคิดว่าความสุขอยู่ที่การมีมากๆใช้มากๆ ทำอะไรได้มากมากซื้อของแพงๆอะไรกลายเป็นความสุขไปแต่ไม่คิดว่ากล่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาทนี่มันเหนื่อยยากขนาดไหนแล้วพอใช้ปุ๊บเดือนหมดแล้วเงินเดือนออกไม่ถึงวันสองวันหมดแล้วเนี่ยไม่มีท ร, ร ม, มากกันไม่ไม่มีการสอนมันตั้งแต่เด็ก <c oughs> เราทิ้งพุทธศาสนาไปไม่รู้กี่ปีแล้ว สมัยก่อนพ่อแม่ข้อแม่ของพวกเราเนี้ยเขามีธรรมะสอนกันเราถึงกันอยู่กันแบบสรรมามัคคีเรียบง่ายได้แต่พวกเรานี้พอมาพัฒนาทางาด้านวัตถุการะยนาศาสนาทิ้งไปเลยว่าเห็นว่ามันขัดกันไงมันมันขัดขวางและเสียเวลาทําให้ไม่สามารถอวิชาทางโลกมาบรรจุสั่งสอนได้ก็เลยเอาวิชาทางาศาสนาทางทางหน้าที่พลเมือง สมบัติผู้ดงผู้ดีไม่มีแล้วมีแต่สมบัติของเดลฉ า, านเข้ามาแทนที่ปากกัดตีนถีบแก่งแย่งชิงดีกันไม่มีสัมมาคารวะไม่มีขางเคารพกันพระสมเด็จพ ร, ระสังฆราชท่านถึงมาตั้งโรงเรียนให้ให้เด็กมหนึ่งถึงมสามมาเรียนกันเป็นโรงเรียนแนวพุทธเป็นโรงเรียนกินนอนรับเด็กประมาณสักสามสี่สิบคน ม, ม, ม, อ ม, มอีอยู่สชั้นนะเนี่ยโมหนถึงโมสาแต่ให้ฟรีหมดทุกอย่างค่าเราเรียนค่าอยู่ค่ากินค่าอะไรหมดฟรีหมดแล้วก็สอนแนวพุทธสอนแบบสมัยโบราณวันหยุดก็ให้หยุดวันโกนวันพระแล้วก็วันโกนวันพระก็ให้มาวัดท ำ, ทำทำกิจกรรมที่วัดส่วนวันธรรมดาก็มีพระไปสอนธรรมะพวกนี้เขาจะมีสามมาคารวะก็มีความกตัญญูกตเวที เราจะมีความสมรถาเรียงง่ายที่วัดที่โรงเรียนก็ให้หัดปลูกผักกันช่วยเหลือกันทำงานกันคือให้ให้รู้จกักอะไรความสมรถาไม่ให้หลงกับการเจริญทางด้านวัตถุ ก, กใ็ให้มีได้แต่ให้มันมีในในความเป็นไปได้ ถ้าเรามีความสามารถหากินด้วยสุดจริตแล้วมีรายได้อยากจะซื้อถ่าอะไรวัตถุมาใช้ก็ได้ไม่ได้ห้ามอะไรแต่อย่าอย่าอย่าหามาโดยวิธีทุจริตเท่านั้นเองมันจะไม่มีความสุขความสุขมันอยู่ที่การกระทําที่สุดจริตถ้าการกระทําทุจริตแล้วมันจะไม่สุข นั้นเราต้องกลับไปแก้ที่การศึกษาถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาที่เรามีอยู่กันทุกวันนี้ต้องกลับไปที่การศึกษาแต่คงจะยากแล้วแหละมันมันก็กระแสของทางวัตถกุกระแสของกิเลส น, นี่มันแรงกว่ากระแสของทางธรรมยิ่งมีการเจริญทางวัตถุมากเท่าไหร่กระแสทางธรรมนี่มันจะสู้ไม่ได้าะกิเลสมันมันสามมันอยากได้ของได้อะไรกัน มันก็เลยจะเห็นว่าศาสนานี่เป็นของขององมงายไปเพราะว่าเป็นของที่เขาไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าของเขาถ้าเขาไม่ปฏิบัติไม่พิสูจน์นี่เขาจะไม่ไม่สามารถเห็นได้เขาจะมาเข้าใจศาสนาก็เามื่อเขาโตแล้วแล้วเขาไปเจอความทุกข์ต่างๆเขาจะเห็นว่าวัตถุต่างๆที่เขาหามาได้นี้มันไม่สามารถมาดับความทุกข์ความ วุ่นวายใจของเขาได้เลยลตอนนั้นก็อาจจะเป็นเวลาที่เขาจะเข้าห า, าศาสนาเข้ามาศึกษาการเข้าห า, าศาสนาตอนนี้ก็ต้องเข้าหาให้ถูกแหล่งเพราะาศาสนาตอนนี้ก็ถูกบิดเบือนไปมากไม่ได้สอนหลักธรรมกันไปสอนทางหลักงมงายกันสอนหลักในด้านพิธีกรรมกันน้ำมนตเคาะหัวเป่าหัว เรื่องรางของขังอะไรของนี้พวกนี้ไม่ได้เป็นศาสนาหรอกเป็นของที่ถูกบิดเบือนไปศาสนาจริงอยู่ที่ศาสนาธรรมคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต้องเข้าหาคําสั่งสอนท่านั้นถึงจะเข้าถึงศาสนาได้ถ้าไปหาพระที่ปลุกเสกเป่าหัวเคาะหัวอยากจะได้บําบัดความทุกข์ก็ไปหาพระทำบุญถวายสังฆทานให้ท่านนะ ลดน้ำมนให้อะไรพวกนี้มันนี่ไม่ใช่ศาสนาน <c> ะ <oughs> เข้าไม่ถึงศาสนาก็หลงไปเยอะเหมือนกันไปไปไปผิดแหล่งไปไปแหล่งที่ที่ถูกบิดเบือนไปแล้วหรือให้ทาบุญแล้วจะได้ล่ำรวยทาบุญมันจะรวยยงไงมันเสียเงินมันมีแต่จะจนนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมทาบุญให้จน แต่ให้สบายใจจนนองสบายใจจะได้ไม่ต้องเอาเงินไปใช้ให้กิเลสใช้ดัดสันดานกิเลสที่จะไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าก็เอาไปทาบุญอย่างเงี้ยให้กขาทาบุญแบบนี้จะได้ไม่มีเงินซื้อกระเป๋ารองเท้ามันจะได้ไม่ฟุ่มเฟือยมันจะได้ตัดดัดสันดานกิเลสได้ตัดอำนาจของกิเลสให้มันน้อยลงได้ใจเราทุกๆวนันนี้เพราะอานาจของกิเลส พอมันอยากได้แล้วขึ้นมานี่มันอยู่ไม่เป็นสุขละพอเราตัดสะพานคือเงินพอไม่มีเงินใช้มันก็ซื้ออะไรไม่ได้มันก็ไปไปอยู่วัดได้ไปนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมไปศึกษาธรรมกันได้ทนอาจารย์นะคะ ดับเรียนถามจริงๆก็ข้อปานาอยู่อย่างนั้นแหละคืออย่างที่ว่ า, น, น, านี่ค่ะจะมีพวกคือเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็มแมลงมันก็มาก็เราปลูกซิมันก็เหมือนเดิมไปแก้ปลเหตุทําไมก็ไปแก้ตอนซื้อดอกไม้เทียมมาก็ได้อย่างนี้นนนนตั้งไว้ไม่ไหนี้มาแรงมาเก่อนะของชั่วคราวหรือะไรกับมันไปไปยอมไปทําบาปเพื่อไปรับผลที่ที่จะตามมาต่อไปทําไม ตัดใจทิ้งไปซะอย่าไปชอบมันคนหนึ่งเขาไม่ปลูกต้นไม้เ ข, เขาก็อยู่ได้นะ okay. ชอบดอกไม้ก็ซื้อดอกไม้ทีมาติดติดตั้งไว้ก็ได้จริงๆเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ามันค่ะแต่หมายถึงว่าเราฉิดตั้งไม่ตั้งมันก็เหมือนกับฆ่าเพรพอไม่ต้องการให้มันมาแตะใช่ไหม ถ้าฉีดเราไม่ไม่ทำให้เขาตายตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน่ะเพราะเราไม่ได้ไปแตะต้องเขาตัวเขาเลยคงต้องไปเป็นแมลงแล้วก็ไปทำเราให้คำถามทางบ้านมาเยะ ถามจากคุณนีข้อที่หนึ่งอยากทราบว่าการทําบุญกับการทําทานเหมือนกันไหมเจ้าคะคือคําว่าบุญนี่ความจริงมีมีหลายวิธีการทําทานนี่ก็เป็นหนึ่งเกิวจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมและบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้เรียกว่าธรรมทานนี่คือวิธีสร้างบุญสิชนิดด้วยกัน แต่บุญที่เป็นบุญหลักที่เราต้องทำกันนี่มีอยู่สามคือทานศีลกับภาวนาบุญอื่นนี้ทาก็ได้ไม่ทำก็ได้แล้วแต่โอกาสอันที่สีก็คือต้องฟังธรรมบุญที่เกิดจากการฟังธรรมเพราะถ้าเราไม่ฟังธรรมเราจะไม่รู้จักวิธีสร้างบุญให้ถูกถูกต้องมีบุญหลักอยู่4ข้อคือบุญที่เกิดจากการฟังธรรม เพื่อเราจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างแล้วบุญที่เกิดจากการทำทานเพื่อเราจะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมไปภาวนาไปรักษาศีลศีลกับภาวนานี้จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบุญหลักมีอยู่สี่เนี่ยจึงเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราเข้าวเข้า เขาวัดกันในวันพัค ก, ก็เพื่อมาทาบุญหลักนี้ทำบุญใส่บาตมีคนตายอยากจะส่งบุญไปให้เขาก็อทุทิศไปถ้ามีเพื่อนฝูงเขาทำบุญก็เลื่วมอนุโมทนาบุญกับเขาไปถ้ามีใครเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือก็ช่วยเหลือเขาไปเวลาไปพบกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีความสัมาคารวะอ่อนน้อมถอ่อมตนนี้ก็เป็นบุญแล้วถ้า อ่านหนังสือธรรมะแล้วชอบเห็นว่ามีประโยชน์อยากจะให้คนอื่นได้อ่านก็ไปพิมพ์หนังสือมาแจกกันเราเรียกว่าเป็นการธรรมทานเป็นการให้ธรรมไรการทํำบาปจะทําให้เราไปอบายไปนรกกันการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเพราะที่ไปเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ไปเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ร่างกาย ผู้ที่ไปเวียนว่ายตายเกิดก็คือใจที่ไม่มีวันตายอันนี้ถ้าเราได้ฟังมันก็จะทาให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องเมื่อก่อนเราจะคิดว่าตายแล้วสูญนี้พอมาได้ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจา้าจากพระอริยรสงสาวโกท่าว่าตายแล้วไม่สูญผู้ที่ไม่ตายกับร่างกายมีอยู่ผู้ที่ไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปนีมีอยู่ ถ้าเราเชื่อเราก็จะไม่กล้าทําบาปกันเพราะไม่มีใครอยากจะไปนรกกันไม่มีใครอยากจะไปเกิดเป็นเดาานรัจฉานกันทุกคนก็อยากจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเศรษฐีเป็นคนล่ำคนรวยหรือถ้าดีกว่านั้นก็ไปสวรรค์หรือดีกว่านั้นก็ไปนิพพานเลยไม่ต้องกลับมาเกิดเพราะเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายถึงแม้จะเป็นเป็นกษัตริย์เป็นมหาเศรษฐีก็ยังต้องแก่เจ็บตายเหมือนกัน ถ้าไม่อยากจะแก่เจ็บตายก็อย่ากลับมาเกิดเลยดีกว่าไปนิพพานกันไปบวชกันข้อที่สองอยากทราบว่าการนำพัตตาหารไปทำบุญที่วัดแต่ไม่ได้รอถวายกับพระอย่างนี้จะได้บุญไหมเจ้าคะได้ได้เต็มที่คงถามจากคุณไก่นั่งพิจารณาจนลมหายใจหายไปแล้วรู้สึกว่าจิตวูบเงียบไปถูกต้องไหมคะ ถ้าเจิดวูบแต่แต่คนคนที่นั่งยังไม่ได้วูบก็ใช้ได้แต่เจิดวูบแล้วคนนั่งก็วูบไปด้วยก็หลับคําถามจากคุณไฮน์เนเก้นนะครับคนเราบวชเพื่ออะไร อ, ะอยะครับเกิดมาทําไมระหว่างการปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานกับสองมือทําให้เกิดประโยชน์ทํานู่นทํานี่ไปเรื่อยอันไหนได้สมาธิกับกุศลมากกว่ากัน บังเอิญผมไปเห็นมุมของสมมุติสมมุติที่ดื้อสมมุติกิสงที่ดื้อเหลือเกินรบกวนท่านอาจารย์ด้วยครับก็ถามว่าอะไรนะแต่คําถามเขาเขียนว่าคนเราบวชเพื่ออะไรเกิดมาทําไมระหว่างการปฏิบัติธรรมนั่งกรรมาฐานกับสองมือทําให้เกิดประโยชน์ทํานู่นทํานี่ไปเรื่อย <c oughs> อันไหนได้สมาธิกับกุศลมากกว่ากัน หมายถึงว่านั่งเฉยๆกับการนั่งทํางานนี้ใช่ไห ม, ไหมนั่งเฉยๆมันก็ได้ประโยชน์ได้ได้ความสงบมากกว่าเพราะถ้ายังทํางานอยู่ใจก็ไม่สงบถ้าอยากจะให้ใจสงบนี้ต้องนั่งเฉยๆกายต้องนิ่งวาจาต้องนิ่งที่เรียกว่าศีลใจก็ต้องนิ่งไม่คิดอะไรแล้วใจก็จะสงบแล้วก็จะได้ประโยชน์มากที่สุดพระเจ้าครับมีท่านหนึ่งได้สนทนาเขาเขามีความทุกข์มากเพราะเขาเอ พ่อเขาเนี่ยสร้างปัญหาเยอะอ่าแล้วมีครั้งหนึ่งเนี่ยเขาไปเผลอคิดว่าพอพ่อเขาไม่สบายเนี่ยเขาจะไปคิดประมาณว่าตายตายซะได้ก็ดีเงี้ยแล้วเขาก็พุกมามากเลยว่าอ่าว่ามันเขาสร้างกรรมหรื อ, อ ย, ยังอ๋อยังเน่ยยังไม่ได้ไปทําร้ายพ่อยังไม่ตายเป็นเป็นอารมณ์เชื่อวบูบอ่าถ้ารู้ว่าเป็นความคิดไม่ดีต่อไปก็อย่าไปคิดให้คิดถึงบุญคุณของพ่ออยู่เรื่อยๆ ว่า พ, พ่อแม่มีบุญคุณกับเรามากเพราะว่าถ้าไม่มีพ่อแม่เราก็เกิดมาไม่ได้ดังนั้นพ่อแม่จะเลวร้าี้ยก็เรื่องของเขาถึงแม้พ่อแม่ไปทําบาปไปติดคุกติดตารางเราเป็นลูกก็เรายังมิเราก็ยังต้องรักเขาลูกพ่อเหมือนเดิมแล้วถ้าเราช่วยเหลือท่านได้ไปเยี่ยมท่านได้ส่งอาหารส่งน้ําอะไรไปได้ก็ต้องไปเพราะว่าบุญคุณของท่านนี้พระเจ้าบอกว่าต่อให้ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมด นอกจากทําให้ท่านดูแทนบุญคุณอย่างเต็มที่เลยเพราะว่าพ่อแม่ไม่ต้องไปเกิดในบายต่อไปจะไปไปไปสู่พระนิพพานในที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ไม่ตอบแทนบุญคุณนี่ก็เลวพอแล้วเราไปคิดร้ายกับพ่อแม่ยิ่งเลวเลวขึ้นไปอีกเฉนั้นเราต้องเราต้องสํำนึกในบุญคุณอยู่เรื่อย ควรจะกราบพ่อแม่ทุกวันถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็กราบกราบแล้วก็รำลึกถึงท่านรำึกถึงบุญคุณของท่านว่าตัวนี้ที่มีเราอยู่ได้นี่ก็เพราะพ่อแม่นี่แหละถ้าพ่อแม่ไม่มีเราจะเกิดมาได้ยังไงแล้ว เ, เกิดมาแล้วถ้าพ่อแม่ไม่เมตตาเลี้ยงดูเราเราจะโตขึ้นมาได้อย่างไรให้คิดถึงบุญคุณแล้วเราก็จะไม่กล้าคิดร้ายต่อพ่อต่อแม่คําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เรื่องหนังสือสวดมนต์ที่มีบทสวดแผ่เมตตาละครับก็ทํากันมาตั้งนานแล้วก็ผิดสวดมนต์แล้วแผ่ให้เจ้ากรรมในเวรเพราะไม่มีผู้รับหนังสือสวดมนต์ไม่ผิดอะแต่คนที่ออกไปปฏิบัติเนี่ยไม่เข้าใจว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องทำอย่างไรคิดว่านั่งแผ่ไปนั่งสวดไปแล้วก็แผ่ไปการมยีเราเนั้นไม่ได้แผ่อะไรจะ แ, แผ่ก็ต้องวากระเป๋าสิควากระเป๋าซื้อของแจกกันนี่แแผ่ มันนั่งเฉยๆแล้วคิดไปในใจขอให้เธอมีความสุขนี่มันไม่ได้แผ่ไปเขาไม่ได้รับประโยชน์จากความคิดของเราดังนั้นเราต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันคำถามจากคุณจัมโบอยากทราบว่าเรามีอาชีพเป็นเซลทำให้บางครั้งมีความจำเป็นต้องพูดโกหกและต้องมีการพาลูกค้าไปเลี้ยงสุราไปที่อโครจรอย่างนี้ผิดศีลและเป็นอาชีพที่ควรทาต่อหรือไม่ครับ ก็แล้วแต่เราเราเป็นคนเลือกเองแต่ถ้าเราต้องต้องต้องการที่จะรักษาศีลล้วก็ทําแบบนี้ไม่ได้คำถามจากคุณจร น, นะครับเมื่อนั่งสมาธิไปได้สักพักวันไหนถ้าจิตสงบพอจะเห็นเหมือนตัวเองกำลังดิ่งลงไปในท่อมีแสงเป็นวงรอบๆและเมื่อดิ่งลงท่อนั้นไปสักพักก็จะพบกับพื้นที่ว่างโลง่ลงๆมีสีขาวโดยรอบ แต่จะคงสภาพนั้นอยู่ได้ไม่นานเพราะบางครั้งก็โดนกิเลสหลอกว่าเมื่อยบ้างรีบนอนเถอะเดี๋ยวพักผ่อนไม่พอบ้างทำให้ต้องออกจากการนั่งทุกครั้งควรที่จะต้องปรับปรุงในเรื่องนี้อย่างไรดีครับและต้องสังเกตที่อะไรครับว่านั่งพอแล้วหรือควรที่จะนั่งต่อนเป็น 100, 000, 000ร้อยร้านพันหลอกจากงานไปเพื่อเอาเวลามานั่งสมาธิ หาความสุขทงางจากความสงบดีกว่าดีกว่าหาความสุขจากการได้เงินได้ทองมาพิเรศเงีิเลสความอยากความโลภต่างๆนี่มันทำให้เราไม่สามารถมาปฏิบัติธรรมกันได้เดี๋ยวก็อยากจะกินเดี๋ยวก็อยากจะดื่มเดี๋ยวก็อยากจะดูถึงเวลาละครมาแล้วจะดูละครดีแล้วจะนั่งสมาธิดี We have some m o n coming. We want to go talk to them. There are some foreigners here. You may want to go ask them what they do here. Go ahead. They're coming out now. Go ahead. Go talk to them. Perhaps he doesn't have any questions yet. a y Ah, l a คำถามจากคุณธนชัยทำไมการให้ทานจึงเป็นเหตุให้มีทรัพย์คือกำว่ทรัพย์นี่มันถึงทรัพย์ในภพหน้าชาติหน้าไม่ใช่ทรัพย์ในภพนี้การให้ทานนี่เป็นเหมือนการเอาเงินฝากในธนาคารบุ ญ, ญเหมือนกัรเงินที่เราฝากในธนาคารเราก็จะมีทรัพย์เก็บไว้เวลาชาติหน้าเรากลับมาเกิดเราก็จะมีทรัพย์รอเราอยู่อย่างี้ย อย่างพระเวชจันทรดอ น, นี่ท่านก็ทําบุญพอท่านตายไปท่านก็ไปรับทรัพย์ส่วนหนึ่งในสวรรค์แล้วพอกลับมาเกิดก็ได้มารับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเป็นของเป็นเจ้าชายของเจ้าชายสีตัตถะเป็นราชโอรสขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าการได้ทรัพย์แต่ไม่ใช่ได้วันนี้การทําบุญทําทานในวันนี้เป็นการเสียทรพัพย์หมดแล้วค่ะหมดแล้วเลย มีใครอยากจะท้าอะไรไหมอย่า ง, าจจ ง, งที่ว่าเวลาเรานั่งภาวนาค่ะเสร็จแล้วมันก็ปวดเมื่อยชาเลยแล้วแล้วเราก็อครับให้อยู่กับพุโทโธอย่าไปคิดถึงความเจ็บพยายางท่องพุโทโธฝืนท่องไปแล้วเดี๋ยวความเจ็บก็จะไม่มาลบกวนใจที่รบกวนใจไม่ใช่ความเจ็บแต่ความอยากจะให้ความเจ็บมันหายไป ถ้าเรามีพุทโธถ้าเรามีพุทโธมันก็จะหยุดความอยากได้แล้วเราก็จะอยู่กับความเจ็บได้เออนัดสึกพุทโธไว้เยอะๆให้มีกําลังพอเจ็บแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงมันแล้วเดียวใจก็จะเบาจะสบายแล้วก็จะอยู่กับมันได้หยุดกับถ้าเราเราเปลี่ยนไปเดินก็มันเริ่มต้นใหม่ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่มันก็จะติดอยู่ตรงนี้มาถึงตรงไหนก็จะหยุดตรงนี้ ก็หมดกำลังที่ตรงนี้ถ้าเราอยากจะผ่านตรงนี้เราต้องสู้มันถ้าสู้มันไปถ้าเดี๋ยวมันผ่านไปได้มันก็จะนั่งต่อไปได้ยาวถ้าเป็นแต่ว่าต่ออีกสัก10นาทีนะทนอีกสินาทอีอะไรอย่างเงี้ยเลยอย่าไปทนด้วยความคิดว่าทน <c oughs> ต้องพุโทโธ <c oughs> พุทโธต้องทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่ไปสนใจกับความเจ็บเลย <Okay. S 2> ให้อยู่กับพุทโทเพลงอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะอยู่ได้ เวลาเรานั่งสมาธิอย่านั่งนิ่งๆเราสะพานมันจะคันหน้าแล้วมีนมีอะไรมาไกรเนี่ยค่ะก็พูดโทรไปสิอย่าไปสนใจถ้าไปสนใจเดี๋ยวมันก็ทนไม่ได้ถ้าเราอยู่พูดโทรพูดโทรไปไม่ไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็หายไปมันนั่งต่อไปไม่ได้เพราะเราขี้เกียจพูดโทรกันอเอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษ์กิจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ